ผู้เขียนขอเสนอการที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสินหรือชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นมงคลในท่ามกลางข้อโต้แย้งของคนทั้งหลายซึ่งตามประวัติปรากฏว่ามีการถกเถียงกันอยู่ถึงสิองปีบางว่ามงคลอยู่ที่การเห็นเช่นตื่นเช้าเห็นหญ้าเขียวสดเป็นมงคลบางว่าอยู่ที่การได้ยินถ้อยคํามันเป็นมงคลบางว่าต้องเอามูลโคสดเจิมหน้าจึงเป็นมงคล ในปัจจุบันนี้เราเรียกได้ดิบที่เอามาจับรวมกันลหลายๆเส้นสวมศรีรษะในเวลารดน้ำว่ามงคลฝรั่งถือวัตปูเกือกม้าเป็นมงคลแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลบ้างไม่ปรากฏว่าทรงชี้ไปที่วัตถุหรือโชคลางอะไรเลยกลับทรงชี้ไปที่ความประพฤติดีประพฤติ ช, ชอบต่างๆว่าเป็นมงคลอย่างนี้เรียกว่าทรงถือธรรมเป็นใหญ่ อันเป็นธรรมมาทิปไตยแท้